มาบุกเบิกใต้หนึือทั่วออกกลางขึ้นฟังธรรมญิงชายมูลผู้คนต่างวุ่นวายโดยไพแห่งกรรมเลยติดพ่วงผูกพันต่างคนต่างใจกันวันนวงเลยทำหรือได้ย้อนลูกสิษมีใจว่าถอยน้อยเลือกเกินทนคงไม่ไว้ไม่กลัว สิทธิ์เคยยังเดียงสาสิทธิ์อาจารย์เดียงสาแม่จะรู้หลักธรรมก็พลังทำตามซึ่งใจสิทธิ์เคยยังเดียงสาสิทธิ์อาจารย์เดียงสาแม่จะรู้หลักธรรมก็พลังทำตามซึ่งใจสิทธิ์อาจารย์ดังตัวแานฟ้าดินโลกปรผพันวในอะไรดินลนนนานโปรดเมตตาอาจารย์ยังนุ่นแรง อยใจอย่าแบ่งกันกลางดอกใบไม้จชิงงารวนจิตใจเศร้าหมองด้วยน้ำจากจิตทำสร้างรมเงาเหล่าชนฟืนจิตยานแป่วันหวานให้ใส่ได้พบดวงธรรมชีวิตคลายทุกหลงเร่งผิด คนฟังทำหญิงชายวนผู้คนตามวุ่นวายโดยไพ่แห่งกรรมเลยติดพวงผูกพันต่างคนต่างใจกันวันล่วงเลยทำหรึได้ย้อนลูกศิษย์มีใจหัวถอยน้อยเหลือเกินทนคงไม่ไว้ไม่กลุวศิษย์ก็ยังเดียนสา อาจารย์เดียงสาแม้จะรู้หลักธรรมก็พลังทำตามซึ่งใจสิเคยยังเดียงาสาสิอาจารย์เดียงสาแม้จะรู้หลักธรรมก็พลังทำตามซึ่งใจสิอาจารย์ดังตัวแทนฟ้าดินโลกแปรปรวนเวไนยันดินนนลานโปรดเมตตาอาจารย์ยังหนุนแรันขอใใจอย่าแบก ดอกใบไม้จางงารวนจิตใจเศร้าหมองด้วยน้ำจากจิตคําสั้งสางลมเงาเหล่าชนฝืนจิตยานแพร่วันวานให้ใสได้พบดวงธรรมชีวิตคลายทุกหลงเร่งที